โอกราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระาอราิยสงเจริญพรญาติโยมโอ้ปฏิบัติธรรมทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาของการวังธรรมเอาขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจฟังให้เข้าใจจิงไหนที่ยังไม่เข้าใจต้องออกไปวิจัยอีกครั้งหนึ่ง แล้วไม่ต้องเชื่อหลวงพ่อทั้งหมดเอาไปปฏิบัติถ้าดับทุกข์ไม่ได้ท่านไม่ต้องเอาไปให้มันหนักสมองเพราะเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์มีมากเหลือเกินจะเปรตสะปะเราไม่ได้ยกย่องว่าเราเก่งไม่ได้เก่งแต่ว่าถ้าโยมเอาไปปฏิบัติแล้วดับทุกข์ไม่ได้ไม่ต้องเอาไปเสียเวลาทีนี้ของครูบาอาจารย์องค์อื่นๆก็เหมือนกันถ้าวิจัยแล้วดับทุกข์ไม่ได้คือเราพิดสูตรแล้วพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติ แล้วดับทุกไม่ได้ไม่ต้องเอาเอาไปไหนมันรกลรังต้องอย่างนั้นทีนี้เราจะไปหาครูบาอาจารย์ที่ไหนเราต้องรู้ที่ไปที่มาอาจารย์รูปนี้ใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านท่านสอนเรื่องอะไรแล้วก็เราเออกมาปฏิบัติรูวเรื่องอะไรเอาอกมาปฏิบัติแตปฏิบัติแล้ว จนเราคาดใจแล้วรู้ได้แล้วใช้ไม่ได้ติ้งไปก้างถนนเลยแต่ถ้าใช้ได้ดับทุกได้เอาเลยนี่หลงพ่อไม่อยากที่จะดังของพ่อจะมีเมตตากับทุกๆุกท่านที่มีความทุกข์ตอนนี้ที่ทํางานก็เพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทุกคนไม่ใช่ว่าเอาคนรวยคนจนไม่เอาไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวกับว่าใครมีความทุกข์ ข้ามาหาหลวงพ่อได้เลยหลวงพ่อก็จะช่วยช่วยพูดช่วยจาช่วยกล่อมเกลาทำให้จิตใจมีพลังเพิ่มขึ้ น, นเช่นเป็นมะเร็งอะไรอย่างนี้เมื่อคืนก็มารายหนึ่งเป็นมะเร็งก็บอกว่าขั้นสุดท้ายแล้วหลวงพ่อก็ให้ยังจือไปเล่มหนึ่ง เพราะว่านี่นังสือเล่มนี้อยู่กับจิตว่างใชมีเวลาไม่กี่วันแล้วเท่องว่างอย่างเดียวไม่ต้องเอาอย่างอื่นว่างอย่างเดียวมันจะไม่ทันเวลาแล้วอย่างนี้นี่ต้องเอาอย่างนี้นี่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นั้นจิตใจของหลวงพ่อตอนนี้ก็ต้องพยายามด้วยเมตตาทุกๆเวลาพร้อมทุกเวลาที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ให้เรื่องที่เราพูดกันมาเมื่อคืนมันหลายเรื่องแต่ก็เรื่องเดียวนะั่นแหละเรื่องเดียวหลายเรื่องแต่เป็นเรื่องเรื่องเดียวกันทั้งหมดธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะเราจะอยกับธรรมะได้อย่างไรเอเราดาูต้นสายประเหตุของเรานี่เราก็ ตังร่างกายนี่เราได้มาจากธรรมชาติเมื่อเราได้มาจากธรรมชาติแล้วเราก็ต้องอาศัยธรรมชาติการกินการอยู่การหลับการนอนการใช้การสอยการเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรทุกอย่างล้วนแต่ธรรมชาติทั้งนั้นฉะนั้นร่างกายก็ได้มาจากธรรมชาติแล้วก็จิตก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง แต่ว่าธรรมชาตินี้เราจะต้องฝึกถ้าเราไม่ฝึกไม่ได้ถ้าเราไม่ฝึ ก, เ ร, กเราก็จะเป็นคนเตือนคนเถื่อนคนป่าเถื่อนก็คือเราจะเข้ากันไม่ได้ถ้าเราปฏิบัติให้จิตเป็นธรรมชาติร่างกายมันก็ไปเองเมื่อจิตเป็นธรรมชาติทุกคนจิตเป็นธรรมชาติก็เท่ากับว่าเราทุกคนมีจิต ดวงเดียวกันมีจิตดวงเดียวกันแล้ดด ว, ว ก, ลก็เป็นธรรมชาติเหมือนกันแต่ก็เป็นธรรมชาติที่ว่างจากตัวตนไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นของกูเหมือนกันหมดตก็ลงว่าเหมือนกันหมดความเห็นแก่ตัวไม่มีเหมือนกันหมดที่นี่เหมือนกันหมดเราก็อยู่กันร้อยคนพันคน ก็เท่ากับว่าคนคนเดียวไม่รู้จะไปเบียดเบียนใครเบียดเบียนเขาก็เหมือนกับเบียดเบียนตัวเองเราต้องคิดอย่างนี้ธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติก็คือธรรมะไม่ใช่ธรรมะอยู่ในวัดไม่ใช่ธรรมะอยู่ในตัวหนังสือไม่ใช่ธรรมะอยู่ที่ครูบาอาจารย์อยู่ที่เราทุกคนดันั้นเราจะต้องแสวงหา ด้วยการาไปหาข้อมูลในหนังสือบ้างในคำพูดบ้างแล้วก็เอามาปฏิบัติเราจะได้รู้ธรรมะทั้งเนื้อทั้งตัวให้มันเป็นธรรมะไปให้หมดก็คือเป็นธรรมชาติอะไรเป็นธรรมชาติหมดอันนี้ธรรมชาติทั้งหมดนี้ที่หลวงพ่อพูดเราว่างว่างว่างว่างธรรมชาตินั่นคือ ทุกอย่างเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวเรานี่ธรรมชาติเป็นเจ้าของแล้วธรรมชาติไม่ได้หยุดนิ่งธรรมชาติไม่ได้หยุดนิ่งหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกมันไม่ได้ออกแล้วไม่เข้าไปก็ไม่ได้อินเข้าไปแล้วทานเข้าไปแล้วไม่ทายก็ไม่ได้นี่ธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนี่ให้เรามองเห็นว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้น มันเป็นอย่างนั้นมันเองธรรมชาติ interface. มันไม่มีอะไรที่มันจะหยุดนิ่งธรรมชาติโลกนี้มันหยุดนิ่งไม่ได้แจ้าโลกนี้ก็คือธรรมชาติแม้แต่ดวงดาวดวงจันทร์ก็หยุดนิ่งไม่ได้ไม่มีอะไรสักอย่างที่มันหยุดนิ่งแต่ว่าไอ้ตาภายนอกของเรานี่มันตาโง่มันเห็นว่าทุกอย่างมันหยุดนิ่งแล้วมันนิ่งที่ไหนไม่มีอะไรหยุดนิ่ง แม้แต่ว่าเราอยู่ที่นี้เราใช้แสงสว่างคือไฟฟ้ามันก็ไม่ได้หยุดนิ่งไม่มีอะไรหยุดนิ่งสักอย่างหนึ่งนี่เราต้องเห็นว่านี่อนิจนจังอนิจจังไหลไหลไหลไหลไหลไหลไหลเราเห็นอนิจจังก่อนคือมันจะไหลไหลไหลไหลไหลทุกอย่างเลยคือธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ได้หยุดนิ่งที่หยุดนิ่งก็ไม่ได้หยุดนิ่งแต่ว่าตามันโง่ ปัญญาโน้นมันฉลาดปัญญาฉังนั้นเราต้องฝึกให้จิตนี้มีปัญญาจิตของเรามีปัญญาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมีปัญญาเพิ่มขึ้นตาภายในนะคือตาปัญญานะมัน ก, ก, แออก็แจ้งออกไปแจ้งออกไปแจ้งออกไปเหมือนดวงอาทิตย์ยามเช้านะแต่เราไปที่ศวนสวนยินดีทะเล ข, ของอาจารย์ประเสริฐนั่น ยามเช้าหลวงพ่อก็นั่งบรรยายทางซ้ายมือก็เป็นทะเลพอเป็นทะเลทีนี้บรรยายตั้งแต่ตีสครึ่งตีหอย่างนี้แล้วก็มันค่อยๆต่ อ, อ, อแสงขึ้นมาเรื่องรื ง, รงสีแดงแจ้เลยแล้วก็มีก้อนเมฆมีคลื่นมีอะไรหลวงพ่อก็พูดไปพรางก็เลือบตาดูดวงอาทิตย์ไปพรางานี่ มันสวยงามมันสวยงามมากจนพูดไม่ถูกมันสวยโอ้อยากจะหยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปก็ถ่ายไม่ได้เพราะกำลังพูดอยู่นี่มันมั น, ม, นมันดีมันดีทีนี้เราดูเราดูข้างนอกแล้วเราก็ดูข้างในเราดูข้าง ε น้ออนี่มันก็เหมือนกันนั่นแหละเือเหมือนกับว่าก็เกออภัยเหมือนหลวงพ่อนี่เป็น เจ้าของแสงสว่างพ่าเจ้าของแสงสว่างที่นี้เราทุกคนก็ต้องการแสงสว่างว่าแสงสว่างเจ้าเราก็นี่ยน่แะคือแสงสว่างแห่งปัญญาเขาเรียกว่าอะโลโกุตปาธินั่นสุดท้ายสุดาอาโลโกุตปาธิแสงสว่างคือปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราเท่าที่สุดนั่นที่สุดปัญญาถึงจนถึงที่สุด อาจารย์ปัญญาถึงที่สุดก็เท่ากับว่าพลังพลังที่เต็มร้อยเนี่เพราพลังเต็มร้อยของเรามีแค่ 10, 20, 50, 60, สิบยี่สิบห้าสิบหกสิบเราก็พยายามที่จะเพิ่มพลังนั้นน่ยทีนี้การที่เราภาวนานะแต่ละครั้งแต่ละครั้งเดินภาน ว, นา น, น, ว น, านานั่งภาวนานอนภาวนานินทาหานภาวนาภาวนาอยู่ภายในเนี่ภาวนาภาวนา พ อ, พอเราภาวนาไปภาวนาไป พ, พลังมันก็ก่อยๆเต็มเต็มเต็มเต็มเต็มต็มนี่ของพ่อนะไม่ก่อยไปฉันอาหารที่อื่นงานศพหรือว่าไปฉันอาหารเนี่ยพระก็นั่งกันเป็นแถวหรือนั่งร้องวงกันเนพ่อไม่เอาหรอกไม่เอ า, าเพราะอะไรเราต้องภาวนาว่าสักแต่ว่าถาดว่างอาหารเนี่ยอันนั้นก็ว่างอันนี้ก็ว่างอันโน้นก็ว่างเราดูแล้วก็ว่าง วางรูอาหารทั้งหมดเป็นอุจจาระทั้งนั้นเลยนี่คือวงจรมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เรากดเคี่ยวอาหารรู้สึกว่าอร่อยก็ว่างไม่อร่อยก็ว่างเราอยู่กับความว่างเพรเราอยู่กับความว่างอ้าวพระอื่นก็กดฉันฉันฉันเขาก็แค่ก็แคก็แเสร็จแล้วเรายังไม่ได้เครึ่องฟุ้งทีเขาอิ่มแล้วเราก็เกรงใจแล้วเราก็ตจงหยุดดีเนี่ยพก็เลยไม่เอาอย่างนั้นไม่เอา ไม่ไปฉันก็เขาหลอกทีนี่ที่วัดหลวงพ่อนะวัถหวงพ่อเราตอนเช้าหลงพ่อตีห้าครึ่งก็ไปบินตาบาทระก็ตีห้าครึ่งไปบินตบาตขึ้นมาก็เคลียรเรียบร้อยอเคลียเคลียแล้วก็ประเกณฑ์ประเก็นแล้วก็ใส่บาทใส่ย่ามที่นี่ก็เอามานั่งนั่งที่วางบนโต๊ะเปิดกว่าบาทพิจารณา ยาตาปัจจยังปฏิสังขายโออัจรยานี่บทพิจารณาเปรนั่นอยู่อยู่ในนั้นแหละในธทรวัดเช้าเย็นนั่นแหล ะ, อะพอทำแปร เ, เสร็จแล้วหวงพก็พูดได้ควงพูดทุกวันเนี่ยน้อยมากที่ไม่พูดญาติโยมก็สี่คนหน้าคนโยมชี้โยมไม่ชี้ไปไปม า, ม, ามากันอยู่พวกปฏิบัตินั่นเราก็มีสองรูปสามรูป อย่างพ่อพูดทุกวันทุกวันทุกวันเจกันทุกวันเกทั้งหัวโยมเกทั้งอาหารเจกันทุกวันให้มันเข้าที่เจกให้มันเป็นธรรมชาติอาหารที่อยู่ในบาตรก็เป็นธรรมชาติเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาอารียบข้าวไปแล้วก็เป็นอนิจจังเป็นเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาเจกให้มันว่าง ให้คนกินอาหารก็ว่างไอ้อาหารที่อยู่ในบาตอยู่ในภาชนะก็ว่างว่างยังไงไม่ใช่ว่างไม่มีเราต้องรู้ภาษาคนภาษาธรรมเองว่างภาษาคนไม่มีใครนั่งอยู่เลยที่ตรงนี้กันว่างภาษาคนแต่ถ้าว่างภาษาธรรมเน่ยไอ้ที่นั่งกันที่ตรงนี้เนี่ยหัวกุกจิกกุกจิกเนี่ยที่นั่งกันอยู่ตรงนี้มันว่างว่างเพราะอะไรเอ้า เอามาทักโคนดิเอามาถึงก็ตอนผมออกโคนทิ้งให้หมดหลอกหนังออกหลอกเนื้อออกเอาไส่เอาตับเอาไตที่ไหนปุงเอาออกให้หมดแล้วก็ล้วเหลือแต่กระดูกกระดูกก็วางที่หนึ่งหนังก็วางไว้ที่หนึ่งผมก็วางไว้ที่หนึ่ง เป็นกองกองกองกองกองกองโอ้ได้กองโตล้วเป็นร้อยอย่างนี้นี่ที่นี้มันมีคนที่ไหนพอเสร็จแล้วไหนนี่คนนี้โยมอะไรอะโยมเขียวหรือไม่รู้เหมือนกันหมดนี่โยมอะไรโยมแดงก็ไม่ใช่เลือกไม่ออกแล้วไม่รู้ใครเป็นใครนี่ถึงด n a ก็ DNA ไปเถอะมันก็อันนิดจังอันตานั่นแหละไม่มีเลยนี่ว่างว่างจากตัวตน ทุกอย่างว่างจากตัวตนนี่แเราทําอย่างนี้เราจะเห็นนี่มันมาอย่างไงเนี่ยมันเป็นยังไงในปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างไงและต่อไปมันเป็นอะไรเนี่มันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยนั่นเองคือมันว่างจากตัวตนแล้วว่าว่างจากตัวตนทุกอย่างมันว่างจากตัวตนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยน เราต้องพิจารณาอย่างนั้นเอามันเปลี่ยนอย่างนั้นบางทีหลวงพ่อก็พูดคำำบอกเน้นบางทีเ น, น้นก็ไปปฏิบัติกับหลวงพอ่อเป็นร้อยอะไรอย่างนี้เมื่อก่อนเราไม่มีเครื่องทุนแรงก็ไปบินตาบาดมาบินตาบาตมาแล้วใส่กระชอบผูกผูกปากกระชอบผูกผูกวางไว้รถบรรทุกแล้วก็แบกขึ้นเงนแบกอะไรตุ้งตองตุง กระสอบนั่นแหละไอ้กระสอบ ป, ปัดติกระนั้นหลวงพ่อว่าเอ้ยแบกขี้ก็น่าดูเลยนะนั่นขี้ทั้งนั้นเลยในะกระสอบนะ่ะแล้วเราไปกินก็กินขี้ทั้งทั้งนั้นเลยเนีย่ให้เห็นเป็นอย่างนั้นคือมันวงจรมันวงจรมันเป็นอย่างนั้นทีนี้มันว่างมันกว่าจะมาเป็นอุจจาระกว่าจะมาเป็นขี้นะมันผ่านมันผ่านเช่นสาร ข้าวสารนี่มันผ่านวงจรกว่าจะเป็นข้าวสารเจ้ากว่าจะมาเป็นข้าวสุกเนอะมันผ่านมาเท่าไหร่นี่ให้เรารู้กันเช่ว่ามันผ่านมากี่ขั้นตอนเนี่ยก่อนที่จะปลูกแล้วเอามาปลูกแล้วมันจะขึ้นเป็นต้นแล้วกก่อนจะออกรวงจนออกรวงกว่ามันจะสุกสุกแล้วต้องไปเก็บไปเกี่ยวแล้วเอามาทําให้มันเป็นข้าวสารนี่ กว่าจะเอาไปกักตุนได้ที่เขาโกงนะโกงเป็นร้อยล้านพั aran, ลนล้านหมื่นล้านอะไรเท่าไรเนี่ยเห็นไหมนี่แหละมันหลายขั้นตอนมากมายฉะนั้นนี่มันล้วนแต่ว่างว่างว่างว่างว่างวงมันว่างจากตัวมันเองฉะนั้นตรงท้ายที่สุดมันเป็นอะไรมันขึ้นมาจากดินมันก็ต้องไปเป็นดินนี่พอไปเป็นดินแล้วไม่ใช่มันเป็นดินอยู่อย่าง น, นั้นเองมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอีก ดินในดินมันมีทุกอย่างมันมีทุกอย่างในดินอยากกินเปรี้ยวก็ไปปลูกของเปรี้ยวอยากกินหวานก็ไปปลูกของหวานแร่ธาตุในดินน่ะมันมีเยอะแยะนี่อยากกินของขมก็ไปปลูกของขมแล้วมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลนเปลี่ยนี่มันจะเปลี่ยนเช่นว่า ไ, ไอ้ขมไอ้ยอดสะเดาอย่างเนี้ยนะให้เด็กๆกินโอน้ยกินไม่ได้ขมๆๆอ่อผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมา ของพ่อจาได้ตอนนั้นอายุประมาณรักยี 6, ่สิบหกยี่หกยี่เจ็ดเอา้ายี่ห้ากว่ากว่าเนี่ยโอ้มันต้องการของขมแล้วมันต้องซาดาแล้วเนี่ยต้องกินซาดอต้องกินของขมเพราะไอ้ที่เราได้มาจากธรรมชาติมันหมดแล้วมันหมดแล้วทีนี้มันก็ต้องการแล้วมันต้องการแล้วนี่ คือมันมีแต่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตาก็เปลี่ยนหูก็เปลี่ยนเนื้อหนังก็เปลี่ยนเรนผมก็เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปล่ยเมันของกูยังไงเนี่ยนี่เพราะทุกอย่างมันว่างจากตัวตนว่างจากตัวตนอย่างนี้อนิจจังไม่เที่ยงทุกขังอยากก้าวไปยึดมั่นถือมันมั่นเพราะมันไม่เที่ยงไปยึดมั่นถือมั่นมันทำไม อนัตตาไม่ใช่อัตตาอัตตาน่ยมันตัวกูอนัตตามันไม่ใช่ตัวกูรุญญตามันว่างจากตัวกูทุกอย่างมันว่างจากตัวกูทั้งนั้นไม่ไว่าจะเป็นวัตถุจริงของไม่ไว่าจะเป็นอะไรมันว่างจากตัวกูท้งนั้นนี่ว่างทั้งนั้นมันลงอยู่ที่ว่างหมดจริงมีชีวิตก็ว่างจริงที่ไม่มีชีวิตก็ว่าง ล้วนแต่ว่างจากตัวตนนี่ทีนี้ถ้าภาษา่าสาคนก็บว่างไม่มีคนเลยในห้องนี้ว่างโอ้ว่างแต่ถ้าว่างภาษาธรรมที่นั่งกันที่ตรงนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาว่างจากตัวตน เอามันว่างจากตัวตนอย่างนี้แม้แต่ตัวเราเองก็ว่างจากตัวตนคนอื่นก็ว่างจากตัวตนเหมือนกันหมดเห็นไหมนี่มันจะเหมือนกันหมดดูในโลกนี้เหมือนกันหมดนี่เราต้องปฏิบัติได้ถึงจุดนี้จุดศูนย์กลางนะมันอยู่ที่ตรงนี้นั่นคือไอ้ว่างจากตัวตนแต่มันต้องเดินไปตั้งแต่อนิจจังทุกขังอนัตตา แล้วก็จะถึงสุญญตาสุญญตาตอนแรกก็อย่างพระโสดาบันก็สุญญตาน้อยน้อยแล้วจะกิทาการมีก็เยอะขึ้นมาหน่อยหนึ่งพระนาคามีก็75็ดส้าเปอร์เซนต์พระรหันว่างหมดว่างทุกอย่างเรียกว่าประมาณุตรรัตสุญญตาว่างหมดเห็นไหมนี่ทีนี้เราไปติดนั้นติดนี่ติดโน้นมีติดติดติดตด ติดไม่ว่างติดไม่ว่างอ๋อไม่ว่างอะไรก็ยึดยึดหมดตายไม่ลงจะตายแต่ก็ยังตายไม่ลงอยู่มีทรัพย์มีสมบัติมีอะไรอยู่ก็ตายไม่ลงเป็นห่วงเป็นห่วงทรัพย์สมบัติแอ่นไหมมันไม่วา่างนี้ถ้าเราทำให้มันว่างอ่าแต่ความแก่ขึ้นมาว่างจบพอแก่ขึ้นมาอย่างนี้ดู อ๋อว่างจบไม่ใจกูแก่อพอเจ็บขึ้นมามันเจ็บมันเขาขึ้นมาเป็นคลื่นเป็นคลื่นเป็นคลื่นมันอะไรรายงานที่สมองมันเป็นคลื่นเป็คนคลื่นเป็คนคลื่นทีนี้ไอ้ของเราไอ้คลื่นของเราเนี่ยเราก็ต้องมีคลื่นขึ้นมาด้วยพลังคลื่นของเราคือพลังปัญญา cos. เขาก็ว่างเขว่าไอ้คลื่นโน้นมันขนาดไหนวินาทีเนี่ยมันกี่ครั้ง เราวินาทีหนึ่งกี่ครั้งเราก็ต้องว่างว่างว่างวงว่างว่างว่งว่างเอไว้ว่างไว้ชนะมันเลยพอชนะผมว่างจนข้าวที่หลีกออกหลีกออกจากกายหลีกออกจากจิตโง่แล้วก็ไปเป็นจิตว่างธรรมชาติทีนี้ได้อยู่กับจิตว่างที่เป็นธรรมชาติอยู่กับความว่างทีนี้ได้อยู่กับความว่างนี่ไอ้คลื่นน่คลื่นสมองคลื่นสมองคลื่นของ เอกประสาทมันจะเป็นมันทยอยทยอยทยอยทยอยหลวงพ่อไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์หรอกแต่หลวงพ่อก็มองเห็นอย่างนั้นแล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นแค่นั้นเราก็ทำคลื่นของเราหี่ให้แรงคลื่นก็ใอ้แรงขอแรงเสร็จแล้วเราก็ดีตัวออกไปจากจิตโน้เป็นจิจฉลาดแล้วก็เข้าไปอยู่กับธรรมชาติที่ว่างหมดว่างจากกลัวตนหมดนี่อย่างนี้มันต้องเล่นอย่างนี้ชอบใจว่าง ไม่ชอบว่างคือเวทนานะแล้วก็ว่างจากเวทนาเวทนาก็มีสามอย่างจุกเวทนาเราชอบเอาเอามาแบกเอาไว้ไม่ใช่แบกกับบามันแบกที่จิตนะเงินมีทองมีข้าวมีของมีสมบัติพัฒนาะอะไรเอามาแบกเอาไว้นี่นี่มันไม่ว่างทั้งนั้นมันไม่ว่างฉะนั้นกินอาหารก็กินอาหารของความว่าง คนกินอาหารก็จะต้องว่างใจสอยเสื้อผ้าก็เป็นของว่างคนที่ใจสอยก็ว่างที่อยู่ที่อายัยก็เป็นของว่างไม้ได้มาจากไหนเราไม่ได้ทํากับไม้เนี่ยตอนนี้เราทํากับหินแล้วก็ทํากับเหล็กมันได้มาจากไหนก็ได้มาจากธรรมชาติดังนั้นคนที่เข้าไปอยู่ที่เข้าไปอายัยมันก็ว่างนี่ยารักษาโรคก็ได้มาจากไหนได้มาจาก ต้นไม้ใบไม้รากไม้อะไระต้นไม้เหล่า น, นั้นมันเกิดมาจากแผ่นดินไอ้ที่นี่แผ่นดินมันก็ว่างมันก็เปลี่ยนเรื่อยมันหมุนยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยมันหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนหมุนเยมันก็มีแร่ธาตุทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้ต้นไม้ต้นไหนที่มันมีแร่ธาตุอะไรอะไรอะไรต้นไม้นี่ขมต้นไม้นี้หวานต้นไม้นั้นขเวินเนี่ยมันเป็นยาทางนั้นน่ยเราก็ได้มาจาก ธรรมชาติทั้งหมดเลยทีนี้พอตัวเราตัวเราตัวกูนี่ตัวกูที่เป็นธรรมชาติแต่ว่าอย่าไปเอามาเป็นตัวกูเหมือนที่พูดร้อยเปอร์เซนที่เราพูดว่าตัวกูแต่แล้วมันไม่ใช่ตัวกูมันใช่ที่ไหนแหะมันไม่ใช่ตัวกูว่ามันไม่ใช่ตัวกูดูดูดู ด, ด, ดูปฏิบัติปฏิบัติพอเป็นสมาธิ ยกขิตขึ้นสู่ปัจฉนาพิจารณาอนิจจังเช่นผมเช่นผมไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงยังไงเอา้าตอนเด็กๆ ด, ดูที่เช่นผมของเด็กๆ เ, เป็นยังไงเราก็อย่างนั้นแหละเช่นอ่อนนุ่มพอโตขึ้นก็แข็งดําแล้วก็งอกทุกวันต้องไปอะไรมันนี่มันไม่เที่ยงทอนี้แต่มันเกิดที่ตรงไหน เกิดที่ตรงไหนเกิดที่หนังศีษาที่หนังศีษาแล้วมันเกิดแล้วมันต้องมีอาหารดิมันต้องมีอาหารกินมันไม่มีอาหารกินมันก็งอกไม่ได้อ้าวมันก็มีอาหารของมันก็อไอ้น้ําเลือดน้ําหนองที่อยู่ที่หนังศีษาน่ะแหละนั่นคืออาหารของมันทีนี้มันกินอาหารก็จกกับปลกุกเรากินได้ไหมใ น, ในๆๆเลือดที่ อยู่บนหนังสีฉานเะเรากินได้ไหมมันจบกับโปรกนั่นคืออาหารของเส้นผมแค่เฉดแล็บสีมันสวยไหมสีดําเลยสวยที่ตรงหน่อยอูอ้วีกันแล้ววีกันอีกจะไปไหนสักหน่อยนะึงวิกันอยู่นั้นะไม่ต้องทําอะไรกันน อ, อกจากหวีแล้วก็ไม่พอมวนม้วนม้วนมวนมว น, มว น, มวนต้เส้นผมอย่างนี้อต้องมีน้ํามูกน้ํามันนะอะไรก สารพัดสารเปอหลงพ่อพูดไม่ถูกเนี่มันมากเกินไปนี่เพราะเราไปโง่กับเส้นผมเสียเวลากับเส้นผมเนี่ทีนี้พอเอาที่เอาเส้นผมของเราเราไม่รังเกียจเลยแต่ถ้าไอ้ที่พอเราหวีหวีหวีเสร็จแล้วโอ้ออกจากหวีนั้นไปใส่ในจานข้าวของเรานี่น่ากินไหมอร่อยไหมกินข้าวกับเส้นผมเส้นเดียวก็รังเกียจแล้ว ถ้าเอาไปใส่ในถ้วยแกงนี่มันดีไหมมันอร่อยไหมมันน่าเกลียดทางนั้นเลยเนี่ยร้วนแต่น่าเกลียดที่อยู่ที่อาศัยก็น่าเกลียดอาหารของมันก็น่าเกลียดสีสันก็น่าเกลียดหน้าที่การงานของมันสำหรับที่จะปกปิดความหนาวความร้อนแล้วก็ขี้ฝุ่นก็น่าเกลียด น่าเกลียดทางนั้นเลยเราเห็นเป็นกองโหยของงามไอ้ตางโง่ไอ้ตาโง่เนี่ไอ้ตาโง่นี่แหละคือตางโง่ตามันงโง่เพราะอะไรก็เพราะจิตมันงโง่นั่นแหละเพราะจิตงโง่ก็อ๋อมันพอดีพอร้ายอะไรมันพอดีพอดีพอดีอดอดข้าวสังคมได้อะไรได้ปากนี่ตาจนเหมือนกับไปกินเลือดมาถงตามถ้วยอย่างนั้นเลยไป้ดเลือดอะไรมาก็ไม่รู้นี่นี่แล้วก็อย่างนั้นน่ะ มันกุม้มเฟือยเกินไปมันมากเกินไปจนไม่เห็นของจริงทั้งเนื้อทั้งตัวจนไม่เห็นของจริงเลยมีแต่ของปลอมอคิ้วเกาปลอมหลวงพ่อบางทีก็ไปบินทบาทลานนั้นก็ขายอาหารเขียนคิ้วลอยไปทางโู้นโค้เหมือนกับยักษ์อย่างนั้นเนอะพ่อดูวัดเสี่ยวเห็นแล้วหวัดเสี่ยวเลยนี่เนี่ย เขียนคิ้วแต่๋วก็โก่งขึ้นรังบนที่ปลายปลายมันยักเลยทีนี้บางคนก็ที่ที่ที่เห็นที่น่าเกลียดที่ตุดอนะอ เ, อเอเชียเ อ, เอเชียคนนั้นคือหลวงพวว่อก็พอมาจากอาดใหญ่ก็จะถึงเวลาที่จะลงแล้วหลวงพวว่อก็นั่งข้างหน้านี่ก็นั่งเอานั้นนี่ฉันฉันฉันหนึ่งนั่นแหละก็นั่งเสร็จแล้วหลวงพวว่อ ออกจอดแล้วก็จะเปิดประตูหลวงพ่อต้องออกมาก่อนอออกมาก่อนหลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้ออกไม่ได้พระต้องออกทีหลังเอ้าทําไมไอฉันนั่งฉันนั่งข้างหน้าแฉันจะต้องไปฉันเพลนเวลาฉันไม่พออแล้วทําไมเธอไม่ให้ความสะดวกแก่ฉัน่ะฉันเป็นพระนะอไม่ได้ไม่ได้อไม่ได้ไม่ได้ต้องได้มันก็เลยมองดูหลวงพ่อ คนตามันยาเก่งแคนี้อกว่าเตไม่ต้องมองหลวงพ่อหลอกอไม่กลัวทุหรอกแต่ไม่บริการอย่างนี้หลวงพ่อยังมีอีกสามที่อยู่ที่บุกเขว่ายหลวงพ่อจะทิ้งให้หมดแต่ไ อ, อ, อ้เชียติปฏิบัติอย่างนี้หลวงพ่อไม่เอาอีกแลว้วจำเอาไว้จำเอาไว้พระองค์นี้เนี่ยมันเอาแล้วก็วินเชงไม่มาแล้วอะไรน่ะไหนที่จอดที่ไม่ใช่วินเชงโดนเลยกับหลวงพ่อโดนแน่นอนเลยอย่าเลยนั่นอย่า เราพูดความจริงเสมอทีนี้ที่เห็นขนตายาวของค น, นในาวที่รุดเนี่ยยาวแค่นี้เลยยนอมอนเลย <c oughs> น่าเกลียดที่สุดแ่มันทำตาถลนบอกว่าเธอไม่ต้องกระตาถล น, <c oughs> น, นโดนเนี่ยอย่างนั้นทีนี้ถ้าถ้าเป็นไอ้อื่นนะถ้าเป็นไอ้อื่นเช่นว่าไอ้สมยัยแอร์อะไรอย่างนี้หลวงพ่อ นะหลวงพ่อนั่งก่อเดี๋ยวหลวงพ่อไปที่หลังบอกว่าหลวงพ่อไปที่หลังไม่ได้หลวงพ่อจะอดเพลนแต่มีเรียบร้อยแล้วนี่มาท้าว่อก้อกอมหัวหรวมาก้มหัวหลวงพ่อจะขาะหัวเธอทักทีหนึง่ง <c oughs> ต้องเล่นอย่างนั้นเลยต้องเล่นมันอย่างนั้นเนยมันไม่รู้เรื่องเลยเราก็จะฉันเพลนไงคุณเปี๊ยกก็เตรียมเรียบร้อยแล้วก็ไปรับเพราว่าหลวงพ่อจะออกจากโ น, น่นแปดโมงสิบห้ามาถึงนี้ก็สิบ เก้าวคลิ่งมาถึงบ้านพักกบอดีจันเพลทีนี้ทางโู้นหลวงพ่อกาจันมานิดหน่อยอย่างนี้มันจะให้หลวงพ่ออดเพลหลวงพ่อก็เลยบางแอหลวงพ่อก็พูดเลยเธอจะรับประกันเลยว่าหลวงพ่อไม่อดเพลเธอตกนรกไม่รู้ทั่วนะนัะฮะต้องแจ้งมาอย่างนั้นเ่ยต้องเล่นมาอย่างนั้นเ่ยเดี๋ยวนี้ีข ики, ข่เห hmm. ็นไหมเพราะฉะนั้นโอ้ยเดี๋ยวนี้น่ากลัว ไปว่าอะไรน่ากลัวทางนั้นเลยี่แต่น่ากลัวอทีนี้ถ้าที่หาดใหญ่ไม่มีปัญหาหรอกที่หาดใหญ่ก็รู้หลวงพ่อหมดแล้วอพวกทํางานที่สนามบินพอเห็นหลวงพ่อไม่ต้องเอาไปทุท่นเทหลวงพ่อไม่เป็นแล้วไปเดือนหนึ่งสองครั้งสามครั้งมาที่นี่ไปโน่นไป น, นี่ก็รู้จักหมดแล้วนี่เรื่องคนตาเพราะฉะนั้นอะไรก็ไม่ใช่ของจริงทางนั้นนจะไปหลงมัน ไปหลงตาไปหลงคิว้วไปหลงเส้นผมไปหลงแก้มไปหลงจมูกทําให้โด่งไปถึงนูน่นไปถึงไอ้เกาหลีใต้ไป อ, อย่าเลยเขาให้มายังไงก็ทําอย่างนั้นก็ดีแล้วทํำไ้มันดีที่สุดคือต้องมีธรรมะถ้าคนปฏิบัติธรรมนีปฏิบัติธรรมธรร ม, มะยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นก็มีเมตตามากก็มีเมตตาเขาขขดูค่อยสวยขึ้นสวยขึ้นทุกวันทุกวัน เพราะเมตตาเมตตาแต่เมตตาตัวนั้นต้องมีปัญญาด้วยถ้าไม่มีปัญญาเมตตานั้นก็กูดไม่ได้ใช้ไม่ได้เมตตาต้องมีปัญญาทีนี้ทุกอย่างต้องมีปัญญานำถ้าเราเนี่ที่อาจารย์ประเสริฐสอนอยู่นั้นสัมมาสัมมาสัมมาสัมมาแปดสัมมาสัมมานั่นคือความถูกต้องความถูกต้องก็คือปัญญานั่นแหละ มีปัญญานำทางนั้นไม่มีปัญญานำไม่ได้นี่ไม่มีปัญญานำก็เจ๊งเไม่ได้ไม่ได้เลยฉะนั้นเรามาปฏิบัตินึงเพื่อที่จะเห็นอนิจจังอนิจจังคือก็คือตัวปัญญาตัวหนึ่งที่ยังอ่อนทุกขังก็คือตัวปัญญาต้องเห็นเห็นด้วยตาปัญญาอนัตตาไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ตัวตน ไม่ใเฉพาะแต่เราคนอื่นก็เหมือนกันสิ่งอื่นก็เหมือนกันอนัตตาไม่ใช่ตัวตนทีนี้พอจุญนตาโอ้มันว่างเอ้ยมันว่างไม่ใช่ว่างไม่มีนี่มันโงาษาคือมันว่างจากกลัวมันเองว่างจากตัวตนทุกอย่างว่างจากกลัวตนนี่ถ้าว่างจากกลัวตนจนถาวรแล้วก็สบายสบายอยู่ในโลกนี้สบาย อะไรก็ว่างเราจะไม่ติดไม่ติดอะไรทางนั้นสวยอะไรมันสวยงามอะไรมันงามนี่ดูในโทรทัศน์โอ้ออกมาสะดืโอโวเลยมันว่าสวยแต่เราเห็นขึ้นเข้าปล่อยกอเลยรู้ลำไส้มันอยู่อย่างนั้นปอดมันอยู่อย่างนั้นตับมันอยู่อย่างนั้นมันสวยที่ตรงไหนนี่รีต้องรีบพอเห็นคน นุ่งปลอกหมอนอย่างเนี้โอ้ยโอ้ยน่าเกลียดเนี่ยเหมือนขากบขาวัวขาควายอะไรก็ไม่รู้แล้วถ้าเอาหนังออกเลยเหลือแต่เนือ้อโอ้ยน่าเกลียดอย่าเห็นเลยกินไม่ได้เห็นแล้ว ก, ก็กินข้าวไม่ได้เลยอย่างนั้นนี่มันจบกับปลกุกทีนี้สมัยนี้แหะสมัยนี้เพราะว่าเขานุ่งสั้นๆกันว่านุ่งสั้นๆ บางคนก็ขาโกงอย่างนี้อาจะนุ่งแงงกับเขาด้วยตกลงเราโชว์ขาโกงไงทีนี้นี่ก็นุ่งไงมันยา ว, ยาวๆที่จะได้ปิดขาโกงไม่น่าเกลียดนี่ก็เดินโกงอยู่อย่างเนี้จะไปโชว์ไงมันโจ ก, กระปรกทั้งนั้นคือดูแล้วมันล้วนเด็ดโจกระปรกนี่อานิดจังอานิดจังอานิดจังอานิดจังจําให้แม่นอานิดจังเต้นผมอานิดจังคนอานิดจังและบอานิดจัง นังอนิจจังเนื้ออนิจจังอนิจจังทั้งนั้นไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่มีอะไรที่จะเที่ยงสักอย่างหนึง่งให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นรากฐานน้อยก่อนเป็นพื้นฐานน้อยก่อนเห็นความไม่เที่ยงนี่พอดูจมูกฉันที่มันไม่สวยเลยนี่ทำยังไงฉันจะไปเสริมจมูกยกให้พวกดารานี่มันดาราจริงๆเลยพวกนั้นดาราจริงๆ มันดาราจริงๆมันเงินทองไม่มีก็พยาหมาจนได้เอามาเสริมจมูกเอามาเสริมแก้มเอามาเสริมคางเอามาเสริมหน้าผากโอ้ยไม่ไหวเลยธรรมชาติให้มานี่ไม่ชอบฝืนธรรมชาติไปฝืนธรรมชาติไปใส่นั่นใส่นี่ใส่ น, น้นบางคนเขาบอกโอ้ตาผอมแล้วก็สวยสวยอะไรกระดูกโปร่งมาหน้นากเกลียดจะตายกระดูกไอ้ปลาั้า น, น เห็นเนี่ยเราเห็นถึงกระดูกเหมือนกับว่าเอาอะไรไปหุ้มอะไรอย่างนั้นหนังหุ้มกระดูกมันจะสวยที่ตรงไหนบางคนเป็นลมตายเลยเพราะโดนอดอาหารไอ้พรอมแล้วก็สวยไม่รู้สวยที่ตรงไหนหลงผิดเนี่ยหลงผิดทางนั้นนี่แค่ว่ามันผิดธรรมชาติฉะนั้นเราต้องอยู่กับธรรมชาติกลมกลืนกับธรรมชาติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติ ไม่ว่าเนื้อหนังมังสาอาหารการกินที่อยู่ที่ใช้ยารักษาโรคมาจากที่เดียวกันคือมาจากธรรมชาติออมาจากธรรมชาติก็กลับไปสู่ธรรมชาติหนึ่งธรรมชาติสองกฎของธรรมชาติธรรมชาติมันมีกฎอยู่แล้วเราต้องศึกษากฎธรรมชาติกฎธรรมชาติก็คืออนิจจังก็คือกฎธรรมชาติทุกขังก็คือกฎธรรมชาติ อนัตตาก็คือกฎธรรมชาติชุญญตาก็คือกฎธรรมชาติหนึ่งธรมงงธรมชาติสองกฎของธรรมชาติไหลยหยุดนิ่งไม่ได้เป็นไปตามกฎนี่กฎของธรรมชาติต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนั่นคือกฎของธรรมชาติเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างอื่นก็เหมือนกันชีวิตอื่นก็เหมือนกันวัตถุอื่นก็เหมือนกันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ แล้วทำไมเราไม่ศึกษาธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะนี่ไม่ใช่ธรรมะอยู่ในวัดเราอยู่บ้านไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนั่นแหละมันจะทุกข์เพราะไม่รู้จักธรรมชาติหนึ่งต้องรู้จักธรรมชาติสองต้องรู้จักกฎธรรมชาติสรู้จักหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติ เรามีหน้าที่อะไรเรามีหน้าที่อะไรก็เราเป็นใครเราทุกคนเราก็เป็นคนกันเราเป็นคนกันนี่เป็นคนที่มีคุณธรรมไหมไม่มีมีระ่เบียดเบียนคนอื่นเอาเปรียบคนอื่นไม่ได้อย่างนี้มันไม่ได้เพราะเราทุกคนเป็นธรรมชาติกันทางนั้นธรรมชาติต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทีนี้ถ้ามันไม่มีก็แย่ทีมันก็แย่ก็ยู่กันอย่าง เหมือนโน่นนะเหมือนสัตว์ป่านะสัตว์ป่าที่มันเสืออะไรต่ออะไรที่มันเป็นไปกินเนื้อกินหัวกินควายไปกินแกกินแพะอะไรพวกนั้นเนี่ยที่เป็นฝูง่ๆโน้นถ้าโยมไม่ขี้เกียจก็ไปดูสารกดีแต่เราจะเรียนเรื่องนี้ธรรมชาติมันอยู่กันอย่างนั้นเองแล้วมันอยู่ให้มันสมดุลเช่นว่าไอ้ไอสัตว์เล็กๆอะพวกแพะพวก ควายพวกกระดิ่งไงโอ้มันมากเกินไปจระเข้อย่างนี้หรือว่าควายที่มันวิ่งเพื่อที่จะข้ามไปขวางนู่นมันมากเป็นหมื่นหมื่นอย่างนี้อ้าวธรรมชาติก็าจระเข้มันก็ต้องกินเนื้อกินเนื้อมต้องกินควายอ่ะมันก็กินไม่หมดหรอกกินไม่หมดทั้งฝูงหรอกธรรมชาติมันให้สมดุลกันคือธรรมชาติให้มันสมดุลกัน ธรรมชาติในป่าก็ต้องสมดุลธรรมชาติข้างนอกก็ต้องสมดุลแต่เดี๋ยวนี้มันไม่สมดุลนะมนุษย์มันมากเกินไปคนเนี่ยมันมากเกินไปพอมากเกินไปก็ทํายังไงธรรมชาติก็เลยผลิตออกมาอีโมล่าออกมาเลยทีนี้พอออกอีโมล่าทีเนี้อ่ะมันค่อยๆนั่นเนี่ยมันค่อยๆลดลดทีนี้ใค่อยๆกบ ก, กลัวอีโมล่ากันทั้งนั้นเลยอเมริกานี่ตัวกลัวมันกลัว อ, อีโมล่าอู้ หลวงพอเวลาไปอินเดียไปต่างประเทศแตายคนดำๆเฉียดก็มาเนยจักหวัดเชียวมือกันเนี <g ül> พวกดำๆมันไดูมันอีโ ม, โมล่าหรือไม่พวกนั้นเนี่ยคือธรรมชาติธรรมชาติทีนี้อีโมล่ามันเกิดมาจากไหนเพราะว่าพวกนี้มันเข้าไปในป่ามันเข้าไปในป่าลึกแต่มันก็ไปไปล่าสัตว์ไปล่าสัตว์ที่มันมีเชื่อมีอะไรอยู่มีเชื่อที่รักษาไม่หายนั่เชืออีโมล่านั้นแหละ ทนี้มันก็ติดมาพอติดมาแล้วยังไม่มียูกยารักษาเพราะว่ายังยังข้าวไม่ถึงมันเนี่ยก็เลยถ้าพออีโ ม, โมล่าข้าประเทศไหนแล้วเดือดร้อนกันประเทศนั้นเนี่ยมันผลิตปรมาณูได้มันผลิต น, น, นิวเคลียร์ได้แต่แต่แล้วมันไม่มีปัญญาที่จะฆ่าอีโมล่าเอเมนไหมนี่แหละคือธรรมชาติธรรมชาติแท้ๆเลยธรรมชาติ ทีนี้ธรรมชาติเนี่ยเห็นว่าคนมันมากเกินไปแล้วไม่ได้ปล่อยอีโมลาออกมาอยู่ในรัฐของอเมริกาทุกรัฐทุกรัฐไม่ต้องมากหรอกแต่ไอ้พวกไอ้แ อ, อ, อฟริกามันส่งมาให้ส่งอีโมล่ามาให้อเมริการัฐแต่สิบคนสิบคนสิบคนพวกนี้ยังไม่ได้ทันเป็นเลยมันช็อกตายหมดนี่ย ม, มันกลัวมันกลัวกลัวอีโมล่าก็คือมันกลัวตายนั่นเองทีนี้แต่คนปฏิบัติธรรมว่า พวกเราเนี่ยถ้าเสร็จแล้วเป็นยังไงถ้ามันเป็นอิมมรามาหรือว่ามันจะตายขึ้นมาเราก็ป้องกันเอาไว้แล้วถ้าเราเห็นอนิจจังทุกอย่างมันไม่เที่ยงกฎของธรรมชาติทุกอย่างอย่าเข้าไปยึดมันม่นเกี่มัน่นมันมันเป็นทุกข์ยังไม่ทันตายเลยอายุก็ยังน้อ ย, ยกลัวตายกลัวตายกลัวตายมันเลยก็เป็นโรคกลัวตายนั่นเห็นไหมมันก็เลยทุกขัง กลัวมันกลัวมันกลัวตายกลัวแก่กลัวเจ็บมีแต่สารพัดกลัวสารพัดกลัวนั่นคือคนกลัวทีนี้ถ้าเห็นอนิจจังแล้วก็เห็นทุกข์กังไปกลุ้มทาไมตายก็คือตายนั่นตายก็คือตายนี่ยโอไม่ใจกูนี่ไม่ใจกลูมันต้องตายอยู่แล้วทีนี้เราก็ต้องปฏิบัติว่าทำอย่างไรหญ่มันมีกลูนี่เดี๋ยวก็หนังสือกันไปแหละทําอย่างไรใมันมีกู ตรงไหนที่เป็นของกูมั่งทั้งเนื้อทั้งตัวไปจับดูที่มันเป็นของกูไหมไม่มีเลยไม่มีเลยที่เป็นของกูจริงๆไม่มีเลยเป็นของกูที่เป็นภาษาคนแต่ไม่ใช่ภาษาธรรมชาติเข้าใจไหมมันไม่ใช่ภาษาธรรมชาติไปจับไปต้องไปอะไรที่ตรงไหนก็ไม่มีทางเลยดังนั้นถ้าเราปฏิบัติไนดะ้ที่ใ า, ายให้ดูนะที่ตายแค่ก่อนตายนะั้ คือให้ไอาตัวโง่เนี่ยมันตายเจอก่อนตัวโมหะตัวโง่เนี่ยมันตายเจอก่อนพราะตัวโง่ตายแล้วอะไรจะไปแทนตัวโง่ล่ะปัญญาเห็นไหมตัวปัญญาเนี่ยไปแทนตัวโง่พอตัวปัญญาไปแทนเอ้าร่างกายันจะตายอดตายไปที่มึงอ่าตายมันต้องตายอยู่แล้วคนนั้นก็ต้องตายคนนี้ก็ต้องตายคนนี้นทั้งหมดนี้แหละทั้งหมดนี้แหละจบพวกเรานี่หมดหลวงพ่อด้วย จบนี่มันตายตายอยู่แล้วมีชาลีบุดกับโมคันลานนะะพระชาลีบุรกับพระโมคันลานนะก่อนที่ท่านจะบวชโ อ, โอ้ท่านก็เป็นลูกเศรษฐีนี่ดูเรือไปไหนไปกันไอ้เกลอเนี่ยเกลือกันเป็นเกลอกันไปไหนไปกันไปไปไปไปที่อะไรที่มีไอ้หมอระศพมีหมอระศมากมากที่ ทําเรียวกว่าสนุกสนานกันน่ะโ อ, โ, อโอ้คนเป็นร้อยเป็นพันเลยเขาก็อยู่ข้างหลังไปกันทุกงานอยู่ข้างหลังก็ดูดูดูตายหมดนี่เราก็ตายหมดไอ้พวกนักรื่องที่มันเต้นอย่างนั้นก็ตายหมดอไม่มีใครเหลือเลยตายไม่มีใครเหลื อ, อจังเวชกลับกลับเถอะกลับเะกลับเถอ กลับที่นี่จองคนจวนกันเกล้าเนี่ยเราไปหาสำนักปฏิบัติธรรมกันดีกว่าเนีก็เลยไปหาสำนักปฏิบัติธรรมกันแล้วก็ได้บวชแล้ปฏิบัติจนเป็นพระอรหันต์นี่เพราะอะไรเพราะกลัวตายนี่เรามาที่นี้กลัวตายเพราะเรากลัวตายฉะนั้นเราป้องกันเอาไว้นีกลัวตายกลัวตายเราก็ต้องรู้ว่าหนึ่งทุกทุกเพราะอะไรทุกเพราะกลัวตาย เหตุได้เกิดทุกข์เือยเลยกวา่าก็กลัวนั่นแหละเหตุได้เกิดทุกข์เพราะกลัวกลัวความตายตายเป็นทุกข์เหตุของความทุกข์แล้วเราจะดับมันยังไงเราต้องปฏิบัติทางอริยมรรคเสร็จแล้วเราก็ได้ตัวต้านทานมาพลังคือตัวดับตัวนิโรธทุกข์สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์นิโรธ อ, อนตังให้ถึงความดับทุกข์คืออริยมรรคเดินทางนั้น ไ ม, fight, ไม่ต้องกลัวตายทีนี้ไม่ต้องกลัวตายไม่ต้องกลัวแก่และไม่ต้องกลัวเจ็บนีแล้วก็ไม่ต้องกลัวตัวความทุกข์ไม่เอาแล้วเลยไม่เอานเราไม่ทุกข์แล้วมันจะเกิดมาทุกข์เกิดมาทุกข์แล้วเกิดมาทำเอยเนี่ยมันเสียเวลาเสียเวลาเกิดมาเป็นคนแล้วมามีความทุกข์นี่แห็นไหมดังนั้นเราปฏิบัติทมเพื่อจะหนีตายหนีตายแล้วก็ฆ่าตัว ตัวกลัวตายนะมันเสียหนึ่งธรรมชาติสองกฎของธรรมชาติอานิจจังทุกขงังอานนทตาชุญญาตาสี่อย่างนี้สอย่างนี้สี่อย่างอานิจจังทุกขังอนนทตาชุญญตาสุดยอดอยู่ที่ตรงนั้นนี่ตายที่ก่อนตายที่นี้คำกรรของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุทธาตาทว่า ตายก่อนตายตายเมื่อตายย่อมกลายไปเป็นผีตายเมื่อตายย่อมกลายไปเป็นผีตายไม่ดีคือตายกลัวตายเนี่ยตาถลนเลยนอนตายแล้วก็ตาถลนตายไม่ดีย่อมเป็นที่ผีตายโหงตายทำไวให้เขาใ่โลงตายโอทงอย่างมีเกียรต ตายโอทโงนั้นคือตายเช่ก่อนตายเห็นไหมก็คือเราฆามันที่ก่อนฆ่าไอ้ไอ้จิตโม่นั่นแหละแ้วเอาใครไปล่าเอาจิตฉลาดที่เราปฏิบัติธรรมนี่แหละพอเราปฏิบัติธรรมละจิตของเราก็ฉลาดขึ้นรู้อะไรตามความเป็นจริงนี่ตายโอทโงนั้นคือตายเชื่ก่อนตายก็เราไม่มีปัญหาเรื่องตายเราไม่มีปัญหาแล้วถ้าเราปฏิบัติ ไม่ต้องกลัวตายอ๋อมันเป็นมะเร็งมันก็เป็นไม่ที่กินแต่ของขมขมกินแต่ผักกินอะไรมันก็ตายแหละร่างกายนี้ไม่ทันตายมันก็ตายแต่ก่อนมันไม่มีอาหารกินมันไม่ชอบกขมเนี่ยมันไม่ชอบขมเอ็นมาเนี่ยเราก็ไม่กินเนื้อเรากินแต่ผักเรากินแต่ผักเรากินแต่ผักแล้วเราทําใจให้สบายมีพลังปฏิบัติไหวพระถวัดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาตายก็ตายที่ Watering, ไม่ตายเห็นไหมมันไม่ไตายโรงทยาบที <landed> ่จวจมันก็ไม่ตายร่างกายตายแต่ว่าจิตว่างจากกลัวตนว่างจากกลัวตนเนี่ยอะไรมาตายอ่ะมันว่างจากลัวตนเนี่ยอะไรมาตายเพราะมันว่างจากตัวตนนั่นเห็นไหมนี่คนที่เป็นมะเร็งนโอ้ยจะตายแล้วกูอย่างเดียวกลังจุดตายแล้วนี่จุดตายแล้วไม่มีทางแล้วเอมีเงินเป็นล้านล้านหลายล้าน ฉีดยาเก็มละล้านก็เอาเข็มละจีบล้านก็เอาฉีดละร้อยเข็มมันก็ไม่หายหรอกมันก็ตายนั่นแหละให้ไปกรวมทั้งหมดฉีดยาของพระพุทธเจ้าดีกว่าฉีดยาการปฏิบัติธรรมนี่เงินก็ไม่ต้องเสียไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยไม่ต้องเสียเงินจากบาทหนึ่งปฏิบัตินี่เห็นไหมนี่ไม่ต้องอย่างนั้นเนี่ยตายโอถงคือตายเทียก่อนตาย เราไปกลัวมันทำมทามาเมตายมันเลยตายตายเลยหลวงพ่อเวลาไปเขาเอ็กซาเลหรือว่าหมอหลวงพ่อเป็นมะเร็งไหมบอกว่าไม่มีหลวงพ่อถามว่าเป็นมะเร็งไหมตามจริงๆเราเยอะเยอะความตายนี่เป็นว่าเป็นไหมที่เป็นไหมทีแต่มันเป็นจังหัวมันนะมันเป็นไม่เป็นนี่มันก็ไม่เป็นนี่ นี่คือเรื่องของความตายทีนี้เราต้องตอนเป็นป น, นี่แหละเราต้องระดมปฏิบัติใจสมองใจจิตปัญญาปฏิบัติให้เห็นว่าธรรมชาติเป็นอย่างนี้อย่างนี้กฎของธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาทุญญาตานี่เป็นอย่างนี้อย่างนี้หนึ่งรู้จักธรมกธรมชาติสองกฎธรรมชาติสามหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติก็กฎของธรรมชาติอนิจจังทุกขังอนัตตาสุญญาตาเรามีหน้าที่ในการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติก็คือให้เห็นอนิจจังให้เห็นทุกขงังให้เห็นอนัตตาให้รู้สุญญตาให้เห็นทั้งเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งรู้นี่กฎของธรรมชาติ แต่ก็หน้าที่ที่เราจะต้องทำตามกฎของธรรมชาติผลที่ได้คืออะไรจิตสะอาดสว่างจิตมีความสงบคิดถึงตายก็สบายคิดถึงอยู่ก็สบายอยู่ให้มันสบายเอาทีนี้ถ้ากลัวตายกลัวตายโยมนอนคิดถึงความตายแล้วก็กลัวตายเพรากลัวตายนอนเนี่ยเอามือขวาไว้กลางบน เมื่อซ้ายไว้กลางล่างไว้ที่นาอกภาวนาทีนี้ภาวนาหายใจเข้าหายใจออกตายแลว้วตายแลว้วตายแล้วนี่ภาวนาว่าตายแลว้วตายแลว้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วอยู่อย่างนั้นพอเสร็จแล้วก็ไอความรู้สึกนั้นบามที่ความรู้สึกนั้นพวกทำตัง้ตงแต่เป็นธรรมเนรมาณุนอภาวนาภาวนาภาวนาเมื่อก่อนภาวนาไม่เป็นหรอ ภานาก็ให้ภาวนาก็าวา่ า, วาไปถามพระว่าหลวงพ่อหลวงพี่ภาวนาอย่างไงพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธไม่รู้แล้วก็พุโทโธเขาพุโทโธจนจิตมันเป็นสมาธิพอเป็นสมาธิเหมือนกับจิตของเราออกจากร่างอย่างนั้นเป็นคนคนเด่งแล้วก็มาเดินเวียนเวียนที่เรานอนอยู่ไหนๆนี่ใครเนี่ยที่นอนเนี่เนี่ยใครที่นอน แต่เรายังไม่ปฏิบัติจริงจังเพราะเราหาอาจารย์ไม่เจอตอนนั้นหลวงพ่อนี่มีนิสัยอยู่อย่างนั้นหาอาจารย์ไม่เจอไม่รู้จะไปถามใครไม่รู้อะไรที่ไหนอยู่ในป่าชาอยู่กุฏิที่ทำกับกระดานดีไม้โรงศพจังนั้นเลยเห็นแล้วก็กลัวผีกลัวผีก็พุทธโธพุทโธพุทธโธพุทโธไม่รู้อะไรนะักพุทธโธลูกเดียวเอาพุทธโธลูกเดียว ทีนี้พอนั่งสมาธิก็นั่งพุโทโธพุโทโธนอนก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธจนเป็นสมาธิแล้วยกขึ้นสู่ปัญญาไม่เป็นนี่เห็นไหมก็เพียงแต่ว่ามาเดินวนวนวนวนว น, ว น, ว น, วนอยู่รอบรอบรอะไรเงี้ยนั่นจิตมันเป็นสมาธิแล้วแต่มันต้องการที่จะไห้เกิดปัญญาแล้วแต่ว่าเรายังหาอาจารย์ไม่ได้ทีนี้พอหาอาจารย์หาห า, หาไม่ต้องวิ่งหาหรอก ไม่ต้องวิ่งหาเดี๋ยวนี้มันเยอะแยะมันสบายมากพอสอเท่าไหร่พอสอบสองนหน้นอาอห้านก็เสือบเสือมหาไม่ใช่เที่ยววิ่งหาเสือมหาพอเสือมหาก็เสือไปเสือมาได้หนังเสือกู่มือมนุษย์มาเล่มหนึ่งของท่านอาจารย์พุทธธาตุควรอ่านโยมควรจะอ่านนังเสือเล่ม น, นี้เอได้หนังเสือกู้มือมนุษย์มาก็อ่านอ่านแล้วโอ้ ออกจากงานเลยสละสิทธิ์ไม่เอาอะไรแล้วไปอยู่กับท่านอาจารย์พุทธทาสดีกว่านั่นแต่แล้วเป็นยังไงเนี่ยไปอยู่หลวงพ่อในจังวางพื้นฐานเป็นสิปีกว่าจะได้บวชอนะีสิบปีกว่าอีกสิบปีกว่าวางพื้นฐานไปสะมสมสติปัญญานี่แหละเพื่อที่จะศึกษาว่าธรรมชาติคืออะไร กฎของธรรมชาติคืออะไรหนะ้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติคืออะไรแล้วผลมันออกมาอย่างไรงพอผลออกมามเสร็จแล้วมันค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นอะไรก็ดีขึ้นดีขึ้ น, ด, นดีขึ้นหมดอเราก็สบายสบายแต่เราอย่างเดียวรือไม่ได้ต้องช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยนี่ไม่ใช่เราสบายอยู่คนช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยนี่ดังนั้นพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ว่าพระองค์จ ะ, จะรู้แล้วก็อยู่แต่ในธถ้ำในป่าในโดงอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าที่ทีนี้พระองค์ก็ต้องมองดูเราจะช่วยเหลือจัดโลกอย่างไรนะปฏิปิบัติก็เหมือนกันท่านก็ต้องจะต้องเตรียมพร้อมแต่ถ้าภาคทฤษฎีของท่านไม่พร้อนนม thon นมนมท่านก็ต้องเรียนภาคทฤษฎีเอาภาคทฤษฎีไปพราง แล้วก็ภาคปฏิบัติไปพรางอะไรไปพรางต่อไปก็เอาแต่ภาคปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติจะไปนั่งในร้ำหลับตาอย่างนั้นมันไม่ใช่มันต้องทํางานไปด้วยอะไรไปด้วยการธรรมะนี่การทํางานคือการปฏิบัติธรรมอย่างของเส้นเนี่ยเขากวาดขยะกวาดกวาดกวาดกวาดกวาดทางเดินเนี่ยเขากวาดทางเดินกวาดกวาดกวาดกวาดไม่ใช่กวาดเฉย ว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างอ่ะเฮต้าไม่ใช่กูก็ไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูขวาดกวาดขวัดกวาดกวาดกวาดในประรยปนั้นอ่าประโยคนั้นเนี่ยท่านขวัดสึ่งทั้งปวงเกิดดับว่างจากตัวตนสึ่งทั้งปวงเกิดดับว่างจากตัวตนสิ่งทั้งปวงเกิดดับว่างจากตัวตนแล้วท่านก็เอาประโยคนเดียวเอาคํำเดียว ว้างว้างว้างว่างว่างแค่ยังไงไปเจอลูกหินเนี่ยลูกหินเล็กๆอ่ะว่างว้างว้างว่างพอกวาดลูกหินลูกหินก็ไปเจอกับไอ้นั้นกระเด็นไปโดนกับไอ้ไม้ไผ่อยลำหนึ่งอมันจะมีกอไผดังโป๊กพอดังโป๊กเอ้าไม้กวาดก็ว่าง ไอ้ลูกหินก็ว่างไอ้เสียงนั้นเกิดดับว่างโอ้ไม่มีอะไรเลยว่างว่างเป๊ะเดียวนี่ยว่างเลยทำไมเป๊ะเดียวเนี่ยหูเสียงโสตวิญญาณความรู้สึกทางหูเกิดดับว่างปัจจัการกระทบว่างเวทนาว่างพอใจไม่พอใจไม่มีหยุดจบเสียงเพราะได้ยินเสียง แค่นั้นเองทำมาเกิดปึ๊บเดียวว่างเลยนี่ว่างเลยเห็นไหมอันนี้เหมือนกับเมื่อคืนนั่นแหละที่บอกว่าอพระโพธิเอพระออนนั้นเจ้างัไปเรียนเสซนนะท่านก็ว่างว่างว่า ง, างพอตัดไม้ไฟโป้ก็อู้มันไม่มีอะไรในข้างในนี่มันว่างนี่เห็นไหมมันมันพอดีแหละมันจูนกันมันจูนกันเข้ากันพอดีเลย โอกาสพอดีปึืบว่างเลยก็เหมือนกับว่ามีดนะเป็นปัญญาเป็นปัญญาแล้วก็ตัดไม้ไผ่พอตัดมันก็เราตัดคนอย่างนี้เราคิดว่าไอ้ข้างเอยมัน ต, ต้องมีอะไรเฉยๆงามๆพอตัดอะไรมีแต่สิ่งตกกระปกุกแต่ก็ไม่มีอะไรเลยว่างกับวัตนมีแต่อนิจจังทุกขงังห น, น้าตาตุนยาตาว่างเลยนี่ว่างแต่ไม่ได้ไปตัดคนไม่ได้นะมิจฉาทิฏฐิงั้นคือว่างมิจฉาทิฏฐิ ก็มีณสมัยพระพุทธเจ้านะั้นเขาก็มีว่างมิจฉาทิฏฐิอนี้สมัยนี้ก็มีว่างมิจฉาทิฏฐิพอพูดเราว่างเนี่คือไม่มีอะไรแต่ว่างไม่มีอะไรคือว่างมิจฉาทิฏฐิแต่ว่างสมัมมาทิฏฐินี่มีทุกอย่างมีทุกอย่างแต่ทุกอย่างนั้นไม่ได้หยุดนิ่งไหลแล้วก็ว่างกลับวัวตนทีนี้เราไม่ต้องรู้ว่าไหลไหลไหลไหลเพราะเราชำนาญแล้วก๊กกลางเงี้ยไปถึงเห็น ป, ปุ๊บ ว่าจบเนี่ยชํานานอย่างนั้นชํานาญแล้วทีนี้เรายังไม่ชํานานเราขอพิจารณาไปก่อนพิจารณาให้มันชํานาญว่ามันไหลอย่างนี้มันไหลอย่างนี้มันเกิดอย่างนี้มันตั้งอยู่อย่างนี้มันดับไปอย่างนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเอมันไม่มีอะไรนี่มันก่อยๆเห็นนะทีมันก่อยๆเห็น ค่อยๆเห็นว่างเนี่ยฉะนั้นจุดที่เราจะเดินให้ถึงคือว่างจากตลัวตนทุกอย่างว่างจากกลัวตนพอเห็นว่าว่างจากกัวตนเราก็นั่งนั่งว่างว่างนั่งว่างวงนั่งว่างว่างก็เราไม่เอาอะไรนั่งว่างว่างนั่งว่างวางนั่งว่างว่างนั่งข้างไหนเน่ยไม่ต้องว่าไม่ต้องพูดให้ออกมาหรอกนั่งว่างว่างอยู่ข้างไหน หายใจเข้าวางวางหายใจออกวางวงก็ต้องไม่เอารมาหายใจก็ได้แล้วอย่างนี้มันสบายแล้วพอคิดมันก็มาแล้ววางวางวางวงนั่งวางวางนั่งวางวางนั่งวางวางนั่งวางวางอย่างนี้มันไม่อย่างนั้นแล้นั่งวางมันนั่งเอาเอานั่งเอาเอานั่งเอาเอาไม่รู้อะไรตอนอะไรมันออกมามันนี่แต่เอาอ่าแต่คนที่มีลูกก็บอกเอ้ยโยมนั่งสมาธิหน่อยก็นั่งเออ รู้มันอยู่อย่างไงแล้วตอนนี้มันตื่นแล้วยังก็ไม่รู้นี่เป็นห่วงอันนั้นเป็นห่วงอันนี้นี่นั่งไม่ว่างอย่างนี้นั่งเอาเอานั่งเอาเอานั่งเอายึดถือ่อดิบมันถือมันบ่ไม่เอาเว้ยอยู่มานานแล้วพอแล้วนี่ปลี่ตัวมามั่งเวลาตายไม่ไม่มีใครมาช่วยตายหรอกเราก็ตายอยู่คนเดียวนี่เลยนี่ปล่อยวาง ต้องปล่อยวางมันอย่างนั้นไม่ได้มันไม่ได้เลยเนี่ยฉะนั้นเราทาว่างทาว่างแต่ต้องก่อนจะทำว่างต้องทำอนิจจังก่อนต้องทำกฎของธรรมชาติก่อนทำอนิจจังแล้วก็ทำทุกขงังแล้วก็ทำอนัตตาแล้วก็ทำสุญญาตาแล้วก็ข้าวที่พราข้าวที่แล้วหลวงพ่อตอนนั้นยังไง เป็นยังไงก็อยู่พัตลุงแล้วมาที่สวนโม ก, กต้องใช้เวลาสามชั่วโมงสามชั่วโมงปีหนึ่งก็มาเยี่ยมเดชพระคุณท่านอาจารย์เ่ครั้งสองครั้งสามครั้ ง, งเยี่ยมวันนั้นก็พระอานารท่านทำจิตอยู่อย่างไง น, นออไปหาท่านอาจารย์ดีกว่าก็เลยไปหาท่านอาจารย์ไปกราบท่านพ อ, อไปกราบท่าน พ อ, อดีไม่มีใครตอนนั้นไม่มีแขกไ ม, ม้ท่านอาจารย์ครับแล้วพระอรหันต์ท่านทำจิตยังไงท่านก็บอกว่าพระอรหันต์ไม่มีอารมณ์นั่นไม่มีอารมณ์ทีนี้เรามาคิดดูดิเรามีอารมณนะ์น่ะมันจึงไม่ว่างมันจึงไม่ว่าง เดี๋ยวอารมณ์นั้นมาเข้าทีหนึ่งเดี๋ยวอารมณ์นี้มาเข้าทีหนึ่งมีแต่คิดแต่เรื่องอารมณ์นั้นอารมณ์รักอารมณ์เกลียดอารมณ์ใกร้อารมณ์ดีใจอารมณ์เสียใจอารมณ์อิดจ๋าหรือแตมันมีแต่อารมณ์อารมณ์อารมณ์อารมณ์แต่ว่าว enfin in yes. ่างนะว่างจากอารมณ์นะท่านบอกว่าพระอรหันต์ท่านอยู่กับว่างจากอารมณ์ทีนี้ไม่ต้องพูดว่าว่างจากอารมณ์ว่างจากอารมณ์เราฝึกไปว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างว่างตัวเดียว เห็นหมนี่ว่างตัวเดียวนี่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ถึงที่สุดแต่ว่าไม่ใช่ว่าขึ้นต้นไม้แล้วหอกขึ้นไปที่ปลายไม้มันไม่ได้ขึ้นทางโค้มันต้องขึ้นทางโค้งค่อยๆปรับขึ้นไปแล้วทีนี้เราขึ้นไม่ได้เราก็มีบันดงบันไดเราก็ว่ากันไปที่มันต้องฉลาดในบันไดของเราก็เนี้ปรับขึ้นไปอนิจจังแค่นี้ ทุกขังแกนี้อนัตตาแกนี้ตุญญตาแกนี้โอ้สบายนี่โอ้หลวงพ่อเมื่อก่อนนี่ตาใครแนะนําให้อย่างนี้นะกราบไม่รู้กี่ร้อยครั้งเออชอบใจมากได้อย่างนี้เอาไปปฏิบัติได้เลยนี่เรากว่าจะพบขึ้นมาโอ้โหตายเป็นตายไม่ยอมไม่ยอมกลับหลังยังไงไม่ต้องตายแน่นอนเลยกลับหลังไม่เอาปฏิบัติไปหน้าต้องไปหน้าต้องไปหน้า ไปหน้าอย่างเดียวจิตใจต้องเข้มแข็งตอนไปอยู่ใหม่ๆแน่แต่โยมไปพัทลุงน่ยมีเวลาว่างไปเยี่ยมหลวงพอ่อดิว่าก่อนมันลําบากภูเขาที่หลวงพ่ออยู่แต่โยมว่าโอ้อยไปยังไงคนภูเขา อ, อยู่กลางเมืองโยมอยู่กลางเมืองตรงนั้นศาลากลางตรงนั้นที่ว่าการอาเภอตรงนั้นโรงเรียนตรงนั้นหลวงพ่ออยู่คนภูเขา อ, อยู่สบายไม่ไงไกลมายุ่งปิดประตูล็อกกุญแจอย่ามายุ่งหลวงพอ่อพวกเที่ยวก็ อย่าห้ามห้ามไม่ใมาเที่ยวไม่ใช่สถานที่เที่ยวแต่สถานที่ปฏิบัติธรรมที่นี้เมื่อก่อนเน่ยตรงขึ้นปีนป่ายขึ้นไปไปเบนณฑบาตเสร็จแล้วก็ปีนป่ายขึ้นไปบันไดก็ไม่มีสักขั้นหนึ่งทำยังไงสร้างศาลาโยงออกมาสร้างศาลาที่กลางทางเรสร้างศาลากลางทางเบนณฑบาตเสร็จก็มานั่งตรงนั้นก่อนมานั่งโอบ น, น่าจะจันที่ตรงนี้เนี่ยนึกว่าจันตรงนี้มันน่าจะดี โอ้อะไรอทำไม่คิดอย่างนี้่มันไม่มีกําลังใจเลยอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้อีกวันพรุ่งนี้ว่างทั้งบาททั้งข้าวทิ้งไปเลยไม่ต้องจันนี่มันเข็ดเลยตั้งแต่ครั้งเดียวเนี่ยมันเข็ดเลยมันไม่เอาแล้วมันไม่คิดแล้วอย่างนั้นมันต้องเข้มแข็ง อ, อ่ะโยมต้องเข้มแข็งอว่ะนี่ถ้าไม่เข้มแข็งไม่ได้จิตโง่น่ยมันม่มีพลังมากเหมือนกัน แต่เราต้องทําจิตที่เข้มแข็งเด้วยใหม้มันมีพลังคนที่เป็นมะเร็งที่ตายเนี่ยอ่อนเอ๊มีแต่อ่อนเอ๊อ่อนเอ๊ทั้งนั้นเลยพรารู้ว่าเป็นมะเร็งที่หมอจะต้องตัดขาแล้วขากูขากูขา ก, ขากูไปคิดว่าขากู่จะตัดก็ตัดไปที่นี่ไปคิดว่าขากูอยู่ทำไมก้อนหนึ่งอยู่ที่แจงรายอ๋อหลวงพ่อไปบรรยายเนี่ยพทเจ็ดเทืหลวงพ่อหนูเป็นมะเร็งที่ขา อ้าวก็เป็นที่ขาหนูช่างมันมันไม่อเด็เป็นที่จิตนี่ก็หมอก็จะตัดขาก็าให้ก็ตัดไปที่ขาเทียมมีเยอะแยะก็จเจริญแล้วก็กลับกลับไปถึงโทรศัพท์หาหลวงพอ่อหลวงพอ่อหนูตัดขาแล้วเดี๋ยวนี้หนูสบายแล้วนี่เห็น ไ, ไหมก็เป็นที่ขาหู่มันเป็นไม่ดีเอา้าที่ภูกเก็ตก็มีอยู่คนหนึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมใหญ่เนี่ย ก, ก, ก็อ่านหนังสืออ่านหนังสือหลวงพอ่อหนังสืออยู่กับจิตว่าง ก็ร้านโน้นร้านไหนอินนู่นแหละถ้าจะไปพัตนลุงก็ไปหาหลวงพ่อแล้วก็ได้เลยนังจือได้มันนั่งเจ็จแล้วตายก็ตายไม่เป็นไรไปหาหลวงพ่อจะครั้งก็แล้วกันก็มาหาหลวงพ่อมาหลวงพ่อก็ให้กําลังใจไปกลับไปแล้วก็ให้กําลังใจมากันทั้งครอบครัวเนี่ยให้กําลังใจเลยปรากฏประมาณสิบหวันหรืออะไรอย่างนี้ก็ให้กําลังใจให้กําลังใจให้กําลังใจยูยูยูยูยูยูจน วันนั้นก็มาที่สวนยินดีทะเลของอาจารย์ประเสริฐนั่นแหละพออกมาก็กลับไปได้ครึ่งทางโทรศัพท์มาวอ๋อโยมคนนั้นเจีชีวิตแล้วเอ้าเจ๊ชีวิตแล้วเออก็ดีแล้วดีแล้วดีแล้วสามีก็โทรมาโอ้เขาบอกว่าโอ้ไม่ทราบเป็นยังไงหลวงพ่อก็จะเสียชีวิตเนี่ยปวดท้องมากนี่คือเขาไม่ศึกษาปวดท้องปวดท้องปวดท้องคือเวลาจะ เสียชีวิตอะมันลทำ sai เนี่ยมันจะมว m อ่ n ที่สะดือเนี่ยจะม u ố n กลมบิดเนี่ยมันบิดทำ s ายมันม้วนเป็นเกลียวาต่างไม่ปวดท้องที่นี้ก็เอแกบอกว่าอืมก่อนที่จะเจียชีวิตเนาะนอนบนเตียงเนี่ยกขก็กดคารอาไ้ให้อายมาให้ออามากอดเอาไว้เอาไว้ทีนี้ก็ตาถลน ตาหล่นลงมาตาหล่นออมาไม่กระทิบตาเลยอเป็นยังไงหลวงพ่อเหมือนกับเห็นอะไรอย่างหนึง่งไม่ใช่เห็นหรอกเพราะว่าไอ้ประสาทตานี่ยมันจบแล้วมันจะจบแล้วมันกดพิง อ, ออกมาตาหล่นออกมาคนแก่จึงบอกว่าลูกเอยเวลายายตายแล้วก็ช่วยปิดตายายายด้วยง่นแหละคือไอ้ประสาทสมองที่ เกี่ยวกับตานี่ยแหละมันหลุนโกมานี่เราต้องศึกษานี่ต้องศึกษาทีนี้การหายใจเป็นยังไงอะไรยังไงอเวลาจะเสียชีวิตมันก็มีแต่หายใจออกตอนแรกก็หายใจเข้าหายใจออกแรงๆเราไปก่อนหายใจออกหายใจออกหายใจออกหายใจออกมันก็ปุ๊บเดียวมันก็จบนี่เราต้องศึกษาเรื่องตาย นี้เราก็จะต้องตายยังไงก็ฉังหัวมันจะตายยังไงก็ตายแต่เราตายจะก็ตายเราไม่เดือดร้อนเราแยกจิตให้อยู่กับธรรมชาติเนี่ยพออยู่กับธรรมชาติที่สงบเย็นเนี่ยก็ไม่มีเราแล้วอันไม่มีเราแล้วมันเป็นธรรมชาติแล้วนี่พระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ตรงนั้นพระอาจานย์ทั้งหลายก็อยู่ที่ตรงนั้นอยู่กับธรรมชาติที่สงบเย็นคือกลับไปสู่ธรรมชาติแต่ว่าไอ้ไม่กลับที่ ไม่กลับที่มันจะง่วงอยู่ว่าไอ้นี่ตัวกูไอ้นี่กองกูไอ้ลูกกองกูไอ้ mine, หลานกองกูทรัพย์สมบัติกองกูนี่แหละเห็นไหมตายไม่ลงตายไม่ลงตายไม่ลงไป vine, ตามเรื่องตามราวไปตามเรื่องตามราวแต่เรานี่เรามาปฏิบัติป้องกันป้องกันไม่ให้มันตายให้มันตายแต่ร่างกายแต่จิตไม่ตายจิตไม่ตายเพราะจิตมันไม่มีตัวตนแล้วมันนออะไรไปตายอะ มันไม่มีตัวตนร่างกายเปรียบเหมือนต้นโพจิตเปรียบเหมือนกระจกเงาเราต้องเจ็ดใหญกี้คุณมันลงเจ็ดมันทุกข์ไรลแล้วไปเจ็ดมันทำมัยมันไม่มีตัวตนแล้วจะไปเช็ดมันถูกหรือมันไม่มีตัวตนเออะไรไปเช็ดมัน่ะเห็นไหมเอาอะไรไปตายล่ะมันไม่มีตัวตนจิตมันว่างจากตัวตนแล้วเอาไปอะไรไปตายล่ะเออะไรไปเจ็บล่ะอออะไรไปแก่ล่ะนี่มันไม่มีตัวตนเห็นไหมนี่โยมไปคิดใจดีๆ อ๋อเวลาของของพ่อวันนี้จบแล้วนี่มันหมดแล้วก็เยอะแยะแล้วโยมเอาไปปฏิบัติต่อไปไม่ใช่เอาไปวางไว้หรือเอาไปไม่ใช่เอาไปปฏิบัติแล้วต่อไปก็จะรู้จริงในี่ทีนี้ก็เป็นอันว่าให้เห็นอนิจจังให้เห็นทุกขงังให้เห็นอนัตตาให้เห็นสุญญตาถ้าเราเห็นก่อนก่อนที่เราจะตายเรามีเวลา อปีสิบปีสามปีถตายโทษให้คนอื่นตายที่ไหนคนนั้นสิ่งนั้นไม่ตายกิ้งสิ่งที่คนนั้นรู้นั่นแหละไม่ตายตัวเขาเองก็ตายแต่ร่างกายพระพุทธเจ้านิพพ า, า, านไม่ใช่ตายนิพพานไม่ใช่ตายกิเลสตนามันตายหมดแต่แต่แล้วกนี่จรับสมบัติของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อมาพูดนี่แหละ ทรัพ ส, สมบัติของพระอรหันต์ทั้งหลายที่หลวงพ่อมาพูดนี่คือความไม่ตายจุดมันอยู่ที่ตรงนั้นนี่ถ้าเราอยากจะไม่ตายเราก็ปฏิบัติแต่ถ้ากลัวตายเราก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติจนมันเลิกตายกันเลิกตายไม่เอาแล้วอยู่ก็ไม่เอาตายก็ไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งนั้นเนี่ยนี่เรียกว่าตายจะก่อนตายนี่เป็นอย่างนี้ฉะนั้น กรรมกรที่ว่าตายเมื่อตายย่อมกลายไปเป็นผีเพราะไม่ปฏิบัติธรรมดิตายเมื่อตายย่อมกลายไปเป็นผีตายไม่ดีย่อมเป็นที่ผีตายโง่มันตายไม่ดีต่างนั้นแหละเพราะมันยึดมั่นถือมั่นมันก็ตายไม่ดีดิตายไม่ดีย่อมเป็นที่ผีตายโหงตายทํำไมเขาใส่โลงตายโอโถงคือรถตายเมื่อเราปฏิบัติธรรมแล้วเราตาย ตายแต่ร่างกายทิตายโอโถงนั้นคือตายเทียก่อนตายสบายอยู่ก็สบายตายก็สบายไม่กลัวมันเลยว่าตายคืออะไรนี่แหละโยมต้องปฏิบัติให้ตายเทียก่อนตายแล้วก็จะได้รับประโยชน์ทีนี้เราตายเทียก่อนตายแต่ว่าร่างกายยังมีเลี่ยงมีแรงช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่น นี่แหละจุดมันอยู่ที่ตรงนี้ธรรมะจึงไม่หายไปจากโลกนี้แต่ถ้าโลกนี้ไม่มีธรรมะอยู่กันทำไมอย่าเบียดเบียนกันกันไม่ไหวแล้วมีแต่เบียดเบียนเบียดเบียนเบียดเบียนกันธรรมะอยู่แต่ว่าไม่มีใครปฏิบัติ้จะมีประโยชน์อะไรอะฟังไปไม่ปฏิบัติจะมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์เลยแต่นั้นในมันมีประโยชน์กับตัวเราแล้วก็ได้มีประโยชน์กับผู้อื่นกับเพื่อนร่วมโลกนี่ มันจะมีประโยชน์มากฉะนั้นตายแต่ร่างกายแต่ว่าที่ว่างจากตัวตนเนี่ยมันก็กระจายกระจายกระจายกระจายออกไปนมันเป็นอย่างนี้ เ, เวลาของการบรรยายของพ่อเ็อเห็นว่าพ่อถงควรแก่เวลาขอความทุกความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่ญาติโยมผู้ไปปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบจงทุกๆ ท, ท, ท่านตืน่น